รู้ทางศรัทธาวิบากกรรมสำหรับคนทั่วไปอย่าว่าแต่จะให้ยังรู้เรื่องกรรมวิบากอย่าว่าแต่จะให้โยงถูกว่าชาติก่อนเคยทำกรรมอันใดมาจึงได้รับผลอยู่เห็นเห็นอยู่เพราะกะแค่ให้ยอมรับว่าชาตินี้ที่ด่าเขาเราก็ทำที่โทษเขาเราผิดเองส่วนใหญ่ยังทำใจไม่ได้อย่างแกล้งลืม แกล้งไม่รู้เรื่องทั้งที่ยังไม่ตายยังไม่ถูกลบความจําในชาตินี้เลยด้วยซ้าการแกล้งลืมแกล้งไม่รู้เรื่องแกล้งไม่เข้าใจว่าตัวเองก็มีส่วนผิดหรือตัวเองก็เคยทาเป็ น, นกลไกสามารถที่เอาไวส้สาหรับปกป้องตนเองหลายครั้งเพื่อหลอกตัวเองให้รู้สึกว่าไม่ได้ทาผิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็อาจถึงกับใช้วิธีกระหน่ำด่าคนที่กำลังทำผิดแบบเดียวกันเพราะดูเหมือนว่าถ้าด่าคนอื่นหนักขนาดนั้นก็คงมีจิตสำนึกดีๆไม่คิดทำเสียเองเป็นแน่การปกป้องตัวเองแบบห ย, ยาบๆแกล้งฝังลบกลบลืมดื้อๆทำนองเนี้ยมีผลให้จิตใจเบี้ยวบิดผิดเพี้ยน ก็แม้กระทั่งความจริงห ย, ยาบๆที่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างปฏิเสธชั้นไหนเลยจะล่วงรู้ความจริงระดับที่ประนีตกว่านั้นดังเช่นเรื่องของกา ร, รวิบากได้เล่าความจริงระดับกา ร, รวิบากจะเห็นได้ก็เพียงด้วยจิตที่มั่นคงมีความตรงไปตรงมาเท่านั้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่ฝึกเห็นได้แบบชาตินี้ชีวิตนี้ก็เช่น ถ้าโดนใครทําร้ายจิตใจแล้วฝึกนึกฝึกระลึกทุกครั้งว่าเราก็เคยทํากับคนอื่นไว้ตอนแรกๆควันดำจากไฟโกรธอาจบังใจจิตร่าเลือนจนนึกไม่ออกว่าเคยทําอย่างนี้ไว้กับใครที่ไหนแต่หลังๆพอฝึกนึกฝึกระลึกฝึกย้ำกระตุ้นจิตบ่อยเข้าว่าเคยทําเคยทําเคยทํา ในที่สุดก็นึกออกบอกถูกขึ้นมาจริงๆโดยอาจเกิดความทรงจำชนิดทวนลึกอย่างไม่น่าเป็นไปได้เช่นเห็นตัวเองในวัยยาวเคยอาลวาดคิดร้ายพูดร้ายกับพ่อแม่หรือกลั่นแกล้งผู้มีพระคุณให้เจ็บใจมาก่อนเป็นนิมิต ท, ที่ผุดขึ้นอย่างชัดเจนในใจยิ่งฝึกระลึกบ่อยจิตยิ่งสะอาดยิ่งเที่ยงตรง ยิ่งเห็นใจตนเองและมนุษย์ทั้งหลายดุดใช้ตาเห็นรูปก็ไม่ปานยิ่งสะอาดยิ่งเห็นใจชัดขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสามารถในการระลึกแบบเชื่อมโยงรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีเหตุการณ์ทางจิตที่สำคัญสำคัญอันใดที่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุผลเช่นเมื่อใดเจ็บปวดจากการถูกหลอกลวง คุณจะเห็นความเจ็บปวดประมาณนี้ของตนจากนั้นอาจเกิดวูของการเห็นความเจ็บปวดประมาณนี้ของคนอื่นขึ้นมาเป็นเงาซ้อนแรกๆที่ประจักษ์นิมิตเชื่อมโยงกรรมและวิบากคุณอาจเห็นได้แค่ต้นเหตุรังๆ้างว่าเพราะเคยมีกิเลสเพราะเคยมีการก่อบาปก่อกรรมและเพราะเคยมีก้อนทุกข์ก้อนร้อนของคนอื่นเกิดขึ้น ด้วยน้ำมือคุณบัดนี้จึงมีก้อนทุกข์ก้อนร้อนในคุณเกิดขึ้นจากน้ำมือผู้อื่นบ้างบทลงโทษที่เกิดขึ้นอาจมาจากน้ำมือของเจ้าตัวที่ถูกคุณกระทาแบบเตะมาเตะกลับหรืออาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมือของใครอื่นที่ถูกจัดสรรให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางลงโทษคุณแบบถูกที่ถูกเวลาก็ได้ทั้งนั้น จะทราบแบบเลือนรางหรือรู้เห็นแบบกระจ่างแจ้งจางปางก็ตามทีอย่างไรสาระที่ดีแน่ก็คือคุณจะเริ่มรู้ว่ากรรมมีผลจริงทำแล้วไม่หายไปไหนวิบากของกรรมต้องย้อนมาตกรางวัลหรือเล่นงานคุณเสมอได้แค่นี้คุณจะถือสาความไม่รู้ของมนุษย์น้อยลง โดยกระทั่งนึกสงสารคนที่ทําร้ายจิตใจคุณมากขึ้นแล้วรู้ทางไปดีวิบากกรรมมีอยู่ถ้าทำดีก็ต้องได้สว่างทางใจเดี๋ยวนั้นแล้ววันหนึ่งต้องมีเรื่องดีตกมาถึงตัวตามมาแต่ถ้าทำชั่วก็ต้องได้มืดทางใจเดี๋ยวนั้น แล้ววันหนึ่งต้องมีเรื่องชั่วมากระทบตนแน่นอนถึงแม้จะเริ่มระแคะระคายรู้เห็นแบบลูกๆคลำๆกระทั่งศรัทธาที่จะเดินหน้าทำดีมีกระจยงดชั่วบ้างแล้วแต่หากไม่รู้ทางสบายใจคุณก็จะไม่ได้ชื่อว่ารู้ทางไปดีกับเขาเลยการไปดีหมายถึงการตายอย่างสบายใจ ใครจะรู้อะไรมากมายพิสดารปานไหนถ้าใกล้ตายยังอยากอยู่ต่ อ, อยังตั้งหน้าตั้งตาส่งเสียงร้องว่าชีวิตของเราชีวิตของเรามองไม่เห็นความจริงว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงอันนี้แปลว่ายังสบายใจไม่ได้ยังไปดีไม่ถูกขณะแห่งความตาย เป็นเพียงชั่วเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่เท่าไม่เคยพบประสบการณ์กายดับจิต ด, ดับกันเลยจึงไม่น่าแปลกใจที่เกือบร้อยทั้งร้อยเกือบล้านทั้งล้านไม่เห็นความสําคัญไม่นึกอยากตระเตรียมไม่แม้กระทั่งอยากให้ใครพูดถึงขณะแห่งความตายกันโดยตัดสินจากที่รู้สึกไม่ดีและโจ ท, ที่ว่า จะพูดให้มันได้อะไรข้อเท็จจริงก็คือถ้ามองว่าวันหนึ่งคุณไม่มีทางรอดพ้นจากความตายการเตรียมใจเป็นเรื่องสำคัญมากถึงขั้นตัดสินได้ทีเดียวว่าคุณจะตายดีหรือตายไม่ดีไปดีหรือไปร้ายวิธีเตรียมก็อาจง่ายจนคนนึกไม่ถึงว่าจะได้ผลจริงๆ ขอเพียงระหว่างมีชีวิตคิดบ่อยๆว่าถ้าต้องตายตอนนี้คุณมีความสบายใจไปตายไหมนิมิตทางใจจะบอกคุณเองว่าถ้าจิตปลอดโปรง่งสว่างไม่หวงข้างหลังไม่แม้แต่หวังข้างหน้าก็มีอะไรดีๆรออยู่แน่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเห็นจากรูปภัณฑ์สันธานดีๆของจิตหน้าบัตรนั้นอยู่แล้ว แต่หากเป็นตรงกันข้ามถ้าไม่สบายใจมีเรื่องยุ่งยุ่งเต็มหัวหรือคล้ายมีหนามแหลมระคาอยู่เต็มอกรกรุงรังหมนมืดห่วงมาข้างหลังกังวลไปข้างหน้าอันนั้นคงมีอะไรแย่ๆรออยู่มากกว่าอย่างอื่นต้องหนาวกันจริงๆแล้วเพราะเห็นจากสภาพอัปรลักษณ์ของจิตหน้าบัดนั้นชัดเจนสำรวจเข้ามาบ่อยๆ เห็นนิมิตของจิตใจตัวเองบ่อยๆว่าโปร่งโล่งหรือโรคทึบสงบหรือฟุ้งซ่านสุขสว่างหรือหม่นมืดแล้วจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆฝึกเลือกทางไปดีให้ตัวเองตั้งแต่ยังเหลือเวลาเตรียมตัวอีกนานๆได้ไม่มัวหลงเขลายึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวเองคิดมากเกี่ยวกับตัวเองจริงจังกับตัวเอง ทั้งที่ในวาระท้ายสุดอย่างไรก็เอาตัวเองไม่รอดวันยังคำ่ำ